ยะถาวาริวาฮาปูราปริปูเรนติสาครังเอวเมีวัยโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมหังคิพเมวะสัมมิตาตุสัพเพปูเรนตุสักปาจันโทปนรสุยะถามณิโชติระโสยทาน ติโยอวิวัชันตุสป า, ารอ ง, องวินาสตุมาเตภาวันวันตรายโยสุขีธีไคยุโกภาว า, าพิวันันสศีลสนิท จางบุญทาป้าจจ ย, ยินเอาจันตาโรยธราร ม, มาวันทันติอายุวันนสุขังป า, างลัง อายุวะทโกุทนนาวะทกสิริวะทโกุยยาสวัตภลวะทโกวันณาวะทโกสุขวะทโกโหตุสาภาทากุย ข้าโรข้าพยาเวราโสกัสตุจุปันทวานิกาอันตรายาปิวินันสันตุจาเตสาสาสยาสิทธิทันนางลาพังโสติภาคยัง สุขังพลังสิริอายุจาวันโนยจะโพข้างววทิจัยะสวะสัตวาสาจะอายุวิจชิวัสสิทธิภาวันตุเต็มภวตุสะภามาณคันลัง ขันตุสาภาเทวตาสาภาผูทฐานุภาเวนัสธาโสติภาวัตุเตมภาวตุสาภาบางคาลังราขันตุสาภาเทวตาสาภาธรรมะ โนภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตภาวตุสาภามงขคาลงราคันตุสาภาเทวตาสาภาสังคานนภาเวนัสธาโสติภาวนตุเต